มงคลชีวิตมงคลที่สาสจิตกเกษมเขมังเอตามังคลมุตตะมังความที่จิตไม่มีภัย ไรอุปัตฐวะอันเกิดจากการละกิเลสสิ้นเชิงแล้วชื่อว่าจิตกเกษมหรือเขมังความมีจิตสะดุ้งกลัวชื่อว่าภัยอาการที่จิตไม่เป็นสมาธิชื่อว่าอุปัตฐวะอาการที่จิตติดขัดคือคล้องอยู่ในอารมณ์นั้นๆชื่อว่าอุปสรรค ความที่จิตไม่มีภัยอุปัตถวะและไม่ติดขัดจึงชื่อว่าจิตกเกษมลักษณะของผู้มีจิตกเกษมความงุ่น ง, ง่านหงุดหงิดย่อมไม่มีในใจของพระอริยะผู้ผ่านพ้นไปแล้วจากการคิดกังวลที่จะได้เป็นจะไม่ได้เป็น อย่างนั้นอย่างนี้ท่านปราศจากภัยมีแต่สุขไม่มีโศกแม้แต่เทวดาก็มองใจท่านไม่ถึง mm hmm. ยังเป็นอยู่ก็ไม่เดือดร้อนเวลาจะตายก็ไม่เศร้าโศกถ้าเป็นปราดมองเห็นที่หมายแล้วซ้ายถึงอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศกก็หาโศกไม่ พระอระหันต์เป็นผู้หลุดแล้วจากบ่วงไม่มีอะไรจะหน่วงรั้งให้พวงย่อมอยู่ในฐานะเป็นสาวกชั้นนำซึ่งจะทำหน้าที่ของพุทธสาวกได้ดีที่สุดบริบูรณ์ที่สุดกิจหรืองานหลักของผู้บรรลุนิพพานแล้วจึงได้แก่การแนะนำสั่งสอนการให้ความรู้ การส่งเสริมสติปัญญาและคุณธรรมต่างๆตลอดจนการดำเนินชีวิตและประพฤติตัวเป็นแบบอย่างในทางที่มีความสุขมีคุณธรรมและเป็นชีวิตที่ดีงามซึ่งคนภายหลังจะถือเอาเป็นแบบอย่างได้จิตเกษมจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ทำให้เป็นผู้ปราศจากทุกข์ 2. เป็นพุทธสาวกที่สมบูรณ์ที่สุด 3. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง 4. หมดเหตุปัจจัยแห่งการเกิดแล้วเกิดเล่า 5. จากทำกิจเพื่อตอนเองและผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์